ทีนี้ไอ้วันที่ส่งตัวนางวิสาขาไปสู่ตระกูลของมิคารเศรษฐีคนนี้เนี่ยนะธนันชัยเศรษฐีเนี่ยสั่งให้สร้างเครื่องประดับชื่อว่ามหารดาประสาธนะเรียก ว, ว่าเครื่องประดับมหาประสาธนะแปลว่าเครื่องประดับเนี่ยประสาธทในเครื่องประดับชื่อว่ามหารดาเครื่องประดับนั้นใช้เพชรอยู่สี่ธนาน ใช้แก้วมุกดา11ทนานแก้วประพาน22ทนานแก้วมณี32ทนานเครื่องประดับนั้นสําเร็จด้วยรัตนะและรัตนะอื่นๆอีก7สีด้วยกันนะั่นนะมันเครื่องประดับนั้นเนี่ยสวมตั้งแต่สีสันข้างบนนี่จะเป็นรูปนกยูงแล้วก็จะคลุมไปจนถึงเท้าเนี่ยนะเครื่องประดับเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นอะไรรี่ประยับไปหมดเลยเขาบอกว่าคนผู้หญิงที่มีกําลังเท่ากับช้าง5เชือกจกึงระสมได้ของพวกเราใส่เครื่องประดับทับตายนะ นะเครื่องประดับนี่หนักขนาดนั้นนะน้ำหนักมากต่อมาสุธานางก็เป็นอัคระอุปถายิกาที่เป็นอักระอุปถายิกาก็มีเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งนางวิสาขาเนี่ ย, เ, ยเมื่อไปอยู่ที่บ้านของมิขารเศรษฐีเนี่ยนะก็มีลูกเยอะตระกูลใหญ่ตระกู ล, ตกลโตก็จะเป็นคนที่เขาเชื่อเชิญออกงานเนี่ยเป็นประจำมีวันหนึ่งหลังจากที่นางไปงานเสร็จก็อย่าเพิ่งเข้าบ้านเลย ไปวัดก่อนดีกว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมก็ใส่เครื่องประดับไปเต็มไปหมดก็เลยทอดเครื่อปลดเครื่องประดับให้คนคนใช้เนี่ยบอกดูแลเครื่องประดับหน่อยนะฉั น, ก, นะ น, ก, ก, นรรก็เข้าไปฟังธรรมบอกอย่าลืมนะก็คนใช้ก็ไปพาดไว้กับราวบันไดก็เข้าไปฟังธรรมกันเนี่ยนะพอฟังธรรมจะขากลับมาคนใช้ลืมลืมเครื่องประดับเอาไว้พอเดินมาพ้นวัดนะคนหญิงหญิงรับใช้เนี่ร้องไห้เลยบอกทําไมเธอร้องไห้บอกลืมเครื่องประดับไว้ในวัด ก็บอกว่านางเนี่ยยงเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากเลยนะก็สั่งไว้เลยไปดูสิถ้าเครื่องประดับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เอามาถ้าเครื่องประดับไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์เนี่ยเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วถ้าพระผู้เจ<ๆ>้าอานนท์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วเธอต้องไม่เอามานะนะถือว่าถาวายไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าพระเถิดพระจับไปแล้วก็ถาวายไปเลยแล้วกันเสร็จแล้วก็ขาวก็กลับมาน้ก็ร้องไห้บอกพระจับไปถือไปแล้วเนี่ยนะ แล้วก็ อ, อ๋อไม่เป็นไรนาะงก็เลยไปไปถวายกล่าวถวายไอ้เครื่องประดับนี้แด่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ปารว่าสิ่งอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่สมณะอยู่แล้วก็บอกว่างั้นก็ประกาศขายเพื่อจะเอาทรัพย์มาสร้างวัดเนี่ยนะก็ขายทีนี้ราคาเป็นเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยประมาณเก้าร้อยล้านเนี่ยนะนะราคา9้าโกดเนี่ยก้าโกดก็คือเก้าร้อยล้านสมัยนี้เนี่ยนะใครจะไปซื้อเนี่ยนะ ที่จริงบอกว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยมีด้วยหรือเครื่องประดับราคา900ล้านก็เพชรเม็ดไม่กี่นัดไม่เดือนไม่กี่เดือนที่แล้วไหมเม็ดเดียวก็ตั้ง500กว่าล้านนะ500ล้านหรื5 500นะเม็ดเดียวนี่500กว่าล้านอ่ะนะก็เม็ดเดียวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรก็ตั้ง500กว่าล้านแต่นี้ก็เหมือนกันเนี่ยประมาณ900ล้านใครจะไปรับซื้อเครื่องประดับชุดนั้นนางก็ซื้อเองพอซื้อเสร็จก็เอาทุนนั้นเนี่ยนะก็ไปสร้างวัด ก็ไปซื้อที่แล้วก็สร้างวัดอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองสาวถีก็สร้างปราสาทเนี่ยนะพราะนางเนี่ยซื้อที่หมดหลายหมดเยอะมากแล้วก็สร้างอีกแล้วก็นนซื้อที่เนี่ยนะสร้างวิหารเนี่ยประมาณเ้าโกรซื้อที่ประมาณ9โกรแล้วก็อะไรนะฉลองอีกฉลองอีก9โกรนางเนี่ยสร้างพื้นที่ปราสาทเนี่ยนะในพื้นที่กรีฑาก็ แสดงว่าปราวิหารตรงนี้หลายไร่อ่ะนะหลายไร้เลยแหละมีห้องอยู่พันห้องคือชั้นบน500ห้องชั้นล่าง500ห้องปราสาทที่มีพันห้องก็ถือว่าไม่เล็กอ่ะน ะ, ะโรงแรมโรงแรม500ห้องอ่ะเราคิดดูว่าสร้างแบบโรงแรม500ห้องในยาวกว้างยาว500ห้องเนี่ยถือว่าใหญ่นะแล้วก็สองชั้นพันห้องพอดีที่นี้นางวิสาขาคิดว่าปราสาทล้วนๆก็คือโรงแรมแบบแคล้ายๆแบบเนี้ยอาคารแบบนี้มันดูไม่สวย ก็เลยสร้างทวิกูตะอีกห้า้ห้า้อยห้องจุลปราศาสตรอีกเราห้า้อยห้องทีฆะปราอีกห้าอยห้องแวดล้อมปราศาสตร์ใหญ่นั้นก็ฉลองอีกสี่เดือนตกลงว่า ง, งานนั้นนางหมด27ดโกรธเนี่ยนะใครจะเขาบอกว่าชื่อว่าการบริจาคทรัพย์ในพุทธศาสนาแห่งผู้หญิงเนี่ยนะเหมือนกับนางวิสาขาผู้ดำรงอยู่ในอัตภาพแห่งมาตุขามไม่มีเลยนะนะนะก็ อันนี้เฉพาะตรงตรงสร้างวัดนะแต่ปกติทำบุญเลี้ยงพระที่วัดวันละประมาณพันรูปทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยโ้ยเราไม่ใช่ทำอย่างนี้สองวันอ่ะนะทำเป็นร้อยวันพันวันเนี่ยทำเป็นปีๆอะ่ะหลายปีด้วยกันในการอุปถาก น, นะอุปถากพระพิสุเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระรูปไหนเคยมาเมืองสาวัตถีบอกเคยฉันอาหารนางหมดนะปันได้ข่าวว่าใครมาเมืองสาวัตถีเนี่ยจะต้องท่านนางเคยอุปถากไว้หมดแล้วละ พนานเนี่ยเป็นผู้ที่ทําบุญมากงนั้นใครที่จะทําบุญบริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเฉพาะผู้หญิงนะเนีเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะทําเท่ากับนางวิสาขามิมีอีกแล้วส่วนการบริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาของบุคคลอื่นเหมือนอนาถบินทิกาเศรษฐีในอัตภาพแห่งผู้ชายก็ไม่มีอนาถบินทิกาเศรษฐีเนี่ยสละทรัพย์54โกศสร้างมหาวิหารชื่อว่าเฉตวัน มหาวิหารก็เหมือนกับในกรุงอนุราธาเนี่ยอยู่ในทิศตะวันออกของเมืองสาวัตถีเอ่อเชตวันนั้นอนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยนะซื้อซื้อเท่าไหร่ซื้อ27เอ่ซื้อเท่าไหร่นะอันนะห้าหาร3เท่าไหร่โกดเนี่ยนะซื้อที่สิบแปดโกดแล้วก็สร้างอีกสโกดฉลองอีก 18โกรเนี่ยคือคือฉลองก็ไม่ได้แบบแม้ถวายแต่แบบเออมาเลี้ยงพระอะไรเนี่ยนะถวายผ้าไตรถวายอะไรองค์ประกอบอย่างอื่นอีกเนี่ยนะเรียกว่าเครื่องอัฐบริคารเครื่องประดับตกแต่งในการทำบุญนั้นอีก18โกรมันทำบุญเฉพาะเกี่ยวกับเชตาวันใน5้โกรธปกติก็เลี้ยงพระที่บ้านอีกวันละประมาณพันกว่ารูปเนี่ยนะพระนาถานี่ปลื้มมากเนยนะมีเชตวันน่ก็ปลื้มจริงๆเลยล่ะ แต่ก็เชื่อว่าไหนวะในพุทธศาสนาอย่างที่ว่าบุคคลอย่างนี้ก็มีอยู่คนเดียวในในพุทธเขตของพระพุทธเจ้าของเราอะนะอย่างนางวิสาขาก็ถามว่านางวิสาคนเป็นแบบนางวิสาขาก็มีคนเดียวคนแบบอนาถาบินทิกะเศรษฐีก็มีคนเดียวเนี่ยนะถ้าแบบพวกเราไี่มีเกลอใช่ไหมมันก็เลยไม่อาศจันเนี่ยนะพ่านก็อย่าไปคิดว่าจะท่านเล่านั้นจะเหมือนเราท่านไม่คิดเหมือนเราหรอกเนี่ยนะท่านเหล่านั้นมีอัธยาศัยกว้างขวางเลยนะท่าน ท่านพวกนี้เป็นเหมือนกับพ่อแม่ของชาวโลกวะ ง, งั้นเถอะคิดเหมือนกับว่าเป็นบิดามารดาของพระพิสุทั้งหลายท่านมองเห็นพระเนรเหมือนลูกเหมือนหลานไปหมดเนี่ยนะท่านก็เลยมีความสุขในการทําบุญให้ฐานเนี่ยมากวัดนาอา่าวัดของอนาถปินฑิกาเศรษฐีเชตวันนี้อยู่ด้านทิศใต้ของนางวิสาขาอยู่ทิศประจีนคือทิศตะวันออกกระวังงามเหมือนเทวะวิมานอันยอดเยี่ยม พระพุทธเจ้านั้นอาศัยอยู่ที่เมืองสาวัตถีก็จะประทับสองตระกูลเนี่ยเป็นปกติก็คือเช่นว่าวันที่หนึ่งพักเชตะวันวันที่สองก็ปุปพารามปุปพารามแล้วก็สลับมาเชตะวันเชตะวันไปปุปพารามปุปพารามมาเชตวันเนี่ยนะก็เปลี่ยนที่นอนคืนละวันคืนละวันก็สลับคร่าคร่ากันไปเนี่ยนะแล้วก็หรือท่านในพรรษาพรรษานี้อยู่ในเชตวันพรรษาต่อมาก็อยู่ใน ปภารามแล้วก็สลับพรรษาอยู่อย่างนี้แล้วพระองค์เนี่ยอยู่ที่เชตวันเนี่ยนะอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี่ยีหพรรษาด้วยกันเนี่ยนะเพื่อที่จะสงเคราะห์สองตระกูลเพราะฉะนั้นด้วยแล้วก็สงเคราะห์พุทธบริษับ ท, ทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลนั้นเมืองสาวัตถีชื่อว่าจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาเนี่ยจุดศูนย์กลางเลยแหละเนย้อนกลับมาในเนื้อหาของพระสูตรคืนในว่า ตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่วิหารพระวิหารปุปพารามน่ะ น, นะครั้งนั้นท้าวสักกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าไปถึงก็ถายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่พิกษุชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นแห่งตันหา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 ในหน้า 5, หนึ่ง้อยห้าสิบห้าห้าหกล่าวว่าบทว่ากิตาวตานุขโขพันเตคำถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่บทว่าสังคิตเตนะตันหาสังขยาวิมุตโตโหติความว่าว่าโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไหร่ภิกษุชื่อว่าน้อมไปในธรรมที่สิ้นตันหาเพราะความที่ภิกษุนั้นมีจิตน้อมไป กระทำข้อปฏิบัตินั้นให้เป็นไปในอารมณ์คือนิพพานอันเป็นที่สิ้นแห่งตัญหานั้นก็หมายค่าว่าถ้ากุศลจิตเนี่ยเปรียบเหมือนกับกุศลจิตเนี่ยนะเปรียบเหมือนรถใช่ไหมพระนิพพานเหมือนกับเป้าหมายเป็นการปฏิบัติอย่างไรชื่อว่าเป็นการปฏิบัติที่เหมือนกับขับรถไปสู่พระนิพพานคือเป้าหมายคือพระนิพพานเป็นการมุ่งไปสู่ทิศเดียวคือพระนิพพานเนี่ย ตั้งตนไว้อย่างไรสมมติเราบัดปัจจุบันเนี่ยเพื่อเราทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้กันเนี่ยนะเราจะตั้งตนดําเนินตนปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นการน้อมไปสู่พระนิพพานโดยส่วนเดียวคือเท้าส ก, กะจอมเทพทูลว่าขอพระองค์แสดงปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแปลว่าข้อปฏิบัติของคนเริ่มต้นที่ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะของภิกษุผู้มีอาสวะนั้นะ่ะ คือปฏิบัติยังไงจึงจะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนเนี่ยนะจุดหมายปลายทางคือนิพพานแน่นอนอะทำยังไงพูดแบบย่อๆด้วยนะแม้เวลามันจํากัดมากขอฟังแบบยๆๆ่อๆฟังนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าปฏิบัตินี้ต้องถูกด้วยนะจะแล้วผลผลลัพธ์ของผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้คืออั จ, จันตานิถโถก็คือล่วงส่วนกล่าวคือความสิน้นความเสื่อมบทชื่อว่าอั จ, จันตานิถะเพราะมีความสําเร็จล่วงส่วนคือสําเร็จจริงๆเลยนะ เป็นการปฏิบัติไม่ผิดเป็นการปฏิบัติไม่พลาดบรรลุนิพพานสําเร็จเป็นพระอระหันต์บทว่าอจจันตะโยขักเขมีเนี่ยนะมีความปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบล่วงส่วนหนึ่งๆหมายว่าหลุดพ้นจากโยคะทั้งสอ น, นะอจจันตะบ ร, รมจรีเป็นพรหมจารีเป็นนิจก็คือสําเร็จเป็นพระอริยเจ้าอจจันตะปริโยสารคือว่าจบลงอย่างแน่นอน เศรโทเทวมนุษาหนังเป็นผู้ประเสริฐสุดคือสูงสุดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอธิบายว่าเท้าสักกะจอมเทพย่อมทูลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุเห็นปาา น, นี้ย่อมเป็นผู้มีข้อปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติเท่าไรขอพระองค์โปรดบอกข้อปฏิบัติโดยโย่อของภิกษุนั้นเร็วพลันเถิดว่าปฏิบัติอย่างไรเนี่ยนะมีเป้าไหม สำเร็จเป็นพธาตุหันแน่นอนเนี่ยนะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนแบบขอแบบย่อๆด้วยถามว่าทําไมเทา้าส ก, กัดจึงปราถนารบเร่งอะไรขนาดนั้นเนี่ยนะมาฝ้าพระพุทธเจ้าทําไมมาถึงก็มาขอๆๆแล้วก็รีบเร่งรีบกลับเลยเนี่ยนะตอบว่าเพราะพระองค์ประสงค์จะไปเล่นกีฬาเนี่ยนะฟ้าสมัยใหม่ว่าจะไปตีกอล์ฟแล้วเนี่ยนะจะเรียบไปตีกอล์ฟหรือไม่ก็ต้องการจะเรีบไปทําอะไรสักอย่างนะก็เรีบมากคือมีเรื่องอยู่ว่าเทา้าส ก, กัดจอมเทพนั้น รับสั่งการเล่นกีฬาในอุทยานเสร็จแล้วพระองค์ก็สั่งให้เท้ามหาราชจ่าตุล ม, มหาราชเนี่ยนะะคือเท้าอะไรเท้าวีรูปักษเท้ากุเวนเท้าเวสุวรรณเป็นต้นเนี่ยไปอยู่ในทิศทั้ง4ี่อารักขาให้หมู่เทพพ้อมล้อมในเทวโลกทั้งสองพระองค์ก็ทรงช้างเอราวันพร้อมกับนางฟ้อนเนี่ยนะประมาณสองโกรดครึ่งสองโกรดครึ่งก็เท่าไหร่โกรดหนึ่งก็10ล้าน25ล้านเนี่ยนะบริวาร น, นางฟ้าไป25ล้าน แต่ก็ไปถึงประตูอุทยานไปประตูุทยานเช่นสวนนันทวันเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วเกิดแวบขึ้นมานึกถามนึกเกิดปัญหาขึ้นมาในใจตรงนั้นว่าปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นหมายความว่าข้อปฏิบัติเริ่มต้นที่บุคคลพึงบรรลุเนี่ยนะของผู้ที่จะเป็นผ้าหาันเนี่ยนะผู้ที่ปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อเป็นผ้าหาันเนี่ยเป็นผู้น้อมใจใน น้อมใจในพระนิพพานเนี่ยข้อปฏิบัติแบบย่อๆเป็นยังไงนะ้อเนี่ยนะคือปฏิบัติย่อๆยังไงจึงจะบรรลุพระบรรลุนิพพานและเป็นพระอรหรนะันต์น่ะท้าวท้าวส ก, ก่าก็เลยคิดอีกว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่มีสิริยิ่งนะักแม้เป็นปัญหาพิเศษนะปัญหาอย่างดีเลยแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนเอาปัญหานี้ถ้าเกิดเราไปเที่ยวก่อนนะถูกอารมณ์ในทวารหกย่ายีแล้วลืมเลยครับเนี่ยลืมแน่นะ่ะแสดงว่าไม่มีเครื่องโน้ตบุ๊กเนี่ยนะ ไม่มีพวกสมุดบันทึกสมุดโน้ตอะไรจดจดเอาไว้เ น, นะเนาะบอกว่าทาไมอ่ะคืออารมณ์ในสวรรค์เนี่ยนะอารมณ์แต่ละอย่างเนี่ยเห็นแล้วตะลึงหมดเลยว่างั้นแต่เป็นประเภทแบบเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเนี่ยนะคือสิ่งที่อยากเห็นที่ตัวเองอยากเห็นทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดเอาสิ่งที่ตัวเองเกิดมาอยากฟังอะ่ะเว้นแต่อริยสัตว์ะนะ สิ่งถ้าเป็นแบบภาพสีสวยๆทั้งหลายเนี่ยนะหมายความว่าสีสวยๆวิวสวยๆคนสวยๆไอ้สวยที่สุดที่ตัวเองอยากเห็นนะ่ยอยู่ที่นั่นหมดเสียงที่อยากฟังดนตรีที่อยากฟังความไพเราะที่อยากฟังทั้งหมดอยู่ที่นั่นหมดกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยสมมติชอบกลิ่นลำดวนก็กลิ่นลำดวนทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยชอบกลิ่นพวกกระลำพักกลิน่นเอ่อดาวดาวเรืองหรือชอบกลิ่นอะไรก็ช่างกลิ่นเหล่านั้นจะมาสัมผัสกับจมูกทั้งหมดเลย ชอบอะไรที่มันอร่อยอร่อยดีๆทั้งหลายแล้วก็สุขภาพก็ดีไม่ปวดไม่เมื่อยมันสบายจริงๆมีความสุขมากนะสีก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมรถก็อร่อยสัมผัสก็ไม่ปวดไม่เมื่อยอากาศก็พอดีแบบชนิดที่เรียกว่าถูกใจเป๊ะอุณหภูมิปรับตามความต้องการอังเง น, นะโอ้จิตใจ แ, ตแบบนั้นจะเป็นยังไง